เรื่องทรงอนุญาตให้ประนามสัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายก็ยังไม่ประพฤติชอบอยู่เช่นเดิมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ประนามสัตว์ที่วิหาริกผู้ไม่ประพฤติชอบ